ช่วงนี้ก็มีหลายคนกำลังอยู่ในระหว่างการล้างพิษขับพิษออกจากร่างกายพิษเนี่ยมันมาจากไหนนะก็มาจากอาหารมันไม่ใช่แค่สารเคมีที่เป็นพิษที่ติดมาจากอาหารเท่านั้นนะแต่ว่ายัางรวมถึงอาหารที่เรากินเข้าไปแล้ว เมื่อย่อยมันก็ยังตกค้างอยู่ไม่ได้ขจัดออกไปจากร่างกายจนหมดมันก็เลยหมักหมมจนสามารถจะกลายเป็นพิษได้มันก็มาจากอาหารที่มีประโยชน์นะไม่ใช่แค่สารพิษที่ติดมากับอาหารเท่านั้นอาหารที่มีประโยชน์เช่นข้าวผักเนื้ พวงนี้เมื่อมันเข้าสู่ร่างกายแล้วการจจอยการซึมเข้าสู่ร่างกายมันยังไม่หมดทีเดียวแล้วก็ขับถ่ายออกไปไม่หมดมันก็เลยติดค้างอยู่ในร่างกายผ่านไปหลายวันเป็นวันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีมคงกลายเป็นพิษไปได้ ที่จริงร่างกายเราก็มีกระบวนการขับพิษหรือของเสียอยู่แล้วนะมันเป็นธรรมชาติแต่ว่าทำไมถึงต้องมาเข้าคอร์สล้างพิษอีกนะก็เพราะว่าในกระบวนการของร่างกายในการขับสารพิษออกไป จากอาวัยวะต่างๆนี่มันทำงานได้ไม่เต็มที่เพราะอะไรนะก็เพราะว่ามันต้องใช้เวลาหรือใช้พลังงานไปกับการย่อยอาหารที่รับเข้าไปทุกมือ้อทุกมื้อนะวันหนึ่งก็3 ม, มือ้อมันก็เลยไม่มีกำลังเหลือพอที่จะมาจัดการกับเรื่อง การขับสารพิษออกไปจะให้มันทำทั้งสองอย่างแล้วก็ทำให้ดีทั้งคู่นี่ไม่ได้นะคือทั้งย่อยทั้งซึมซับอาหารเข้าไปเพื่อให้เกิดประโยชน์รวมทั้งการเผาผลาญอาหารแล้วก็ยังต้องมาระบายขับถ่ายของเสียไปมันทำไม่ไหวนะเพราะฉะนั้น วิธีที่จะช่วยทําให้ร่างกายเราสามารถที่จะขับถ่ายระบายของเสียไปได้เนี่ยก็ต้องกินให้น้อยลงนะเมื่อกินให้น้อยลงร่างกายเราก็จะได้มีเวลาหรือมีพลังงานในการที่จะจัดการกับของเสียมากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องการ ลางพิษเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้คือการกินอาหารให้น้อยลงแล้วกินอาหารที่ย่อยง่ายเพื่อได้ไม่ไปเสียพลังงานกับการย่อยจนไม่เหลือพลังงานไว้สำหรับการระบายขับถ่ายของเสือหรือพิษออกไปจากร่างกายนอกจากการกินให้น้อยลงหรือว่ากินอาหารที่ย่อยง่ายแล้วเนี่ยถึงจุดหนึ่งก็ต้องงดไปเลยนะ ไม่ไม่กินอาหารเลยนะร่างกายเราจะได้มีพลังงานร้อเอร์เซนสำหรับการขับถ่ายของเสีย อ, อย่างเต็มที่ยิ่งทาเติมสารบางอย่างเข้าไปที่ช่วยระบายด้วยนี่ก็ยิ่งทำให้การระบายขับถ่ายของเสียทำได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอันนี้คือหลักการใหญ่ๆนะ ของการล้างพิษแต่ที่จริงแล้วเนี่ยพิษมันไม่ได้มีแต่ในร่างกายเราเท่านั้นทน้นพิษมันยังมีอยู่ในจิตใจเราด้วยเพราะฉะนั้นนอกจากการล้างพิษหรือการขับถ่ายพองอเสียออกไปจากร่างกายเราแล้วเนี่ยในการล้างพิษออกไปจากจิตใจนี่ก็สําคัญเหมือนกันหลายคนให้ความสําคัญมากกับการล้างพิษออกไปจากร่างกาย แต่ว่าอาจจะละเลยนะการล้างพิษออกไปจากจิตใจถ้าพิษมันสะสมอยู่ในจิตใจอาจจะเกิดผลเสียยิ่งกว่าพิษที่มันสะสมในร่างกายซิพิษที่สะสมในร่างกายอาจจะก่อปัญหาหลังจากผ่านไป 5ปีสิบปียี่สิบปีนะทำให้เกิดโรคแปลกๆหรือว่าโรคที่รักษาได้ยากแต่พิษในใจนี่บางทีไม่ต้องรอถึงห้าปีสิบปีนะแค่อาทิตย์เดียวนี่ก็สามารถที่จะสร้างความปั่นป่วนหรือสร้างความเดือดร้อนให้ทั้งกับตัวเองและกับคนอื่นได้ ยกตัวอย่างเช่นคนที่เก็บความโกรธเอาไว้เนี่ยคนที่เก็บความโกรธเก็บความพยาบาตเอาไว้ถ้ามันอัดตันตันใจนี่ไม่ต้องรอนะถึงเดือนหรอกบางทีแค่วันสองสวันนี้ก็ระเบิดออกมาแล้วพอระเบิดออกมาก็สร้างความพินาศให้เกิดขึ้นทั้งที่เป็นรูปธรรมแล้วก็นามธรรม รูปธรรมก็เช่นทำลายเข้าของทำลายร่างกายนามาทมก็หมายถึงว่าการทำให้เกิดความสูญเสียศรัทธาเกิดความเ้าฉานนะผัวเมียสามีภรรยาก็แตกแยกกันในสามารถจะอยู่ด้วยกันได้เพราะการระเบิดอารมณ์ที่สะสมมาการล้างพิษในจิตใจจึงเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกัน เวลาเราล้างพิษในร่างกายนะเราก็ต้องกินอาหารให้น้อยลงเสพสิ่งต่างๆให้น้อยลงเสพสิ่งที่ย่อยง่ายเราเว้นสิ่งที่ย่อยยากอาชันนั้นก็ฉันนั้นนะในการล้างพิษไปจากจิตใจนี่ส่วนนึงก็อาศัยการที่เราเสพสิ่งต่างๆน้อยลงเสพทางตาก็ดีทางหู นะทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือรวมทั้งทางใจด้วยหรือ เ, เพราะทางตาทางหูนี่สำคัญมากแสงสีเสียงนะเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นสิ่งที่ผู้คนขาดไม่ได้โดยเฉพาะคนที่อยู่ในเมืองหรือแม้แต่ชาว บ, บ้านเดี๋ยวนี้นะวันๆ น, น, นี้ก็จะต้องเสพทางตาดูหนังดูโทรทัศน์ ดูคาราโอเกะฟังคาราโอเกะรวมทั้งเสพอะไรต่ออะไรมากมายที่ล้วนแต่กระตุ้นให้เกิดนะความโกรธความโลภรวมทั้งความฟุ้งซ่านด้วยอันนี้มันก็เสพทางใจด้วยเหมือนกันนะคือการที่นึกคิดอะไรต่างๆมากมายจนหยุดความคิดไม่ได้ ยาสการเสรที่สำคัญของคนยุคนี้คือการเสพข้อมูลข่าวสารนะไม่ว่าจะมาทางโทรศัพท์หรือมาทางอาคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟน Line นะ ก, ก็ดี a c e b o o กก็ดี SMS ก็ดนะีตอนนี้มันพลังพรูเข้ามาแล้วก็มาได้ง่ายมากถ้าไม่ได้เสพ ทางไลนะ์ทางเฟซบุ๊กวันหนึ่งวันหนึ่งก็จะรู้สึกกระสับกระส่ายเช่นเดียนี้ผู้คนก็ใช้นะเวลาในการเสพพวกข้อมูลข่าวสารนี้จนกระทั่งนะเวลาไม่เหลือทำอย่างอื่นเลยบางทีก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเกมออนไลน์นี่ก็เหมือนกันนะพวกละครโทรทัศน์ทั้งไทยทั้งเกาหลีนะ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เสพกรรมเสพกันเข้าไปไม่น้อยเลยเพราะฉะนั้นจึงจิตใจจึงหาความสงบไม่ได้จิตใจก็เต็มไปด้วยอของที่มันสะสมหมักหม ม, มจนกระทั่งกายเป็นขยะเป็นขยะอารมณ์นะเป็นขยะอารมณ์แล้วก็บางส่วนก็เป็นขยะความทรงจำ ก็คือว่าจดจำแต่สิ่งที่ไม่ดีนะไอ้สิ่งที่มันสะสมหมักหมมในความทรงจำของเราหรือว่าหมักหมมอยู่ในพวงอารมณ์ของเราตอนนี้มันเยอะมากนะต้องรู้จักระบายมันออกไปแต่ก่อนที่จะระบายนี่ก็ต้องเสพให้น้อยลงก่อนอานะนะการหลีกเล่น กาลีกเล่นหรือว่าการละเว้นจากอ า, อารมณ์เหล่านี้นะที่มาทางตาทางหูนะทางจมูกทางลิ้นนี่ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะทางตาทางหูรวมทั้งจากการาคุณคิดต่างๆนี่เนะี่ยต้องเสพให้น้อยลงเดี๋ยวนี้พวกที่เสพ อารมณ์เหล่า น, ลนี้นี่เขาเริ่มเห็นพิษเห็นภัยแล้วนะโดยเฉพาฝรั่งนี่เขาหลายคนเนี่ยพอถึงวันเสาร์วันอาทิตย์นี่เขาเขาปิดโทรศัพท์เลยทั้งที่บางคนนี่ทํางานเป็นนักข่าวนะทำงานเป็นนักนังสืบพิมพ์นะแต่ว่าพอถึงเสาร์วอาทิตย์ปิดโทรศัพท์โดยเฉพา อ, อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนี่ปิดเลยจะได้ไม่ต้องไปรับรู้นะให้มันวุ่นวาย เพราะว่าสอที่ควรจะเป็นเวลาที่ได้พักเป็นเวลาที่จะได้อยู่กับครอบครัวเป็นเวลาที่จะอยู่กับลูกบางคนก็อยากใช้เวลานี้เป็นส่วนตัวออกกำลังกายเล่นโยคะทำสมาธิหลายคนแม้กระทั่งเวลาทำงานนี่เขาก็ปิดเหมือนกันนะไอ้พวกโทรศัพท์เนี่ยเพราะว่าข้อมูลที่เข้ามานี่มันไม่เกี่ยวกับงานการเท่าไหร่เลยแค่งานการเนี่ย ก็แทาจะไม่มีสมาธิอยู่แล้วเพราะไอ้สิ่งเหล่านี้มารบกวนบางทีต้องไปซื้อโปรแกรมนะเมืองนอกนี่มันมีโปรแกรมหนึ่งที่เป็นที่นิยมมากชื่อว่า Freedom นะเสรีภาพเป็นโปรแกรมที่เอาไว้ตัดสัญญาณต่างๆทางอินเทอร์เน็ตเพราะเวลาทำงานนี่มันจะมีถ้าไม่ปิดไม่ปิดสัญญาณนี่เดี๋ยวก็ปิ้งเดี๋ยวก็ปิ้งเดี๋ยวก็ปิงเนี่ ย, ยนะมาทางไลน์ mail, บ้างเฟซบุ๊กอีเมลบ้าง ไม่มีสมาธิฝรั่งนี่เด็กนี้เขาพวกว่าเนี่ยมันมีสิ่งที่ก็มารบกวนความสนใจขเขาเนี่ยทุกสามนาทีเลยนะทุกสามนาทีจะมีอะไรแบบเข้ามาพวกข้อมูลท า, ารุสานลองนึกดูนะทํางานไปได้สักพักไม่ถึงไม่ถึงสองนาทีมากแล้วแล้วมันจะมีสมาธิได้ยังไงไอ้คนนี้คือขยะทั้งนั้นอนะ ข้อมูลข่าวสารที่เป็นขยะซึ่งถ้าเสพไปก็กลายเป็นขยะอารมณ์นะอย่างตามๆก็ทำไม่มีไม่มีสมาธิแล้วถ้าเกิดว่าไปซึมซับรับเอาอารมณ์หรือข้อมูลเหล่านี้เข้าไปก็จะเกิดความเครียดเกิดความวิตกเกิดความกังวลเกิดความโกรธเกิดความขุ่นเคืองเป็นขยะทั้งนั้นแล้วก็ระบายไม่ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกเนี่ยการที่จะลาขจัดพิษออกไปจากใจได้เนี่ยมันก็ต้องเริ่มต้นจากการที่ละเว้นจากการเสพนะหรือว่าเสพพอประมาณนะเสพข้อมูลข่าวสารพอประมาณเสพรับอารมณ์ต่างๆพอประมาณนะที่จริงการถือศีลแปดเนี่ยนะมันก็เป็นเป็นสิ่งที่ช่วยได้มากทีเดียวนะ เพราะว่าพอถือศีลแปดแล้วเนี่ยข้อที่โดยเฉพาะข้อที่เจเนี่ยนะนจักขีตะวัติตะเนี่ยว่ามันช่วยลดขยะอารมณ์ได้เยอะเลยเพราะว่าความบันเทิงสิ่งเสพนะที่รับเข้าไปการลเล่นนะพวกนี้มันก็สามารถที่จะกลายเป็นขยะหรือกลายเป็นพิษให้กับจิตใจได้มากทีเดียว แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่มีแค่นั้นนะมันมีขยะที่มาในรูปแบบอื่นอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่งั้นการที่เราจะเราจะระบายถ่ายเทพิษในจิตใ จ, ใจได้การการมีวินัยในตนเองหรือว่าการที่รู้จักหลิกเล่นออกจากอารมณ์ต่างๆ ก็สำคัญเหมือนกับที่ผู้ที่เวลาจะาล้างพิษนะก็จะมามาทำกันในสถานที่แบบนี้มาหลีกเล่นนะสถานที่หรือบรรยากาศก็ช่วยแต่ว่านั่นก็เป็นแค่ขั้นตอนแรกนะการที่จะหลีกเล่นไม่ไปรับเอาอารมณ์สิ่งเสษต่างๆ ที่จะกลายเป็นขยะหรือว่าพิษแก่จิตใจเ <c oughs> ้าเจอกันเราก็ต้องนะรู้จักนะระบายถ่ายเทเพิ่มสมรรถภาพสมรรถนะของจิตใจในการถ่ายเทอารมณ์ต่างๆเหล่านี้ออกไปจากจิตใจอะไรที่มันจะเป็น สิ่งช่วยในการถ่ายเทอารมณ์ที่สำคัญคือสติเนี่ยนะสติที่สำคัญมากเพราะถ้าไม่มีสติเนี่ยนะเราก็จะอาจจะคิดคิดคิดคิดคิดคนที่ไม่มีสติเนี่ยไม่รู้ทันความคิดเนี่ยมันก็คิดคิดคิดคิดแล้วก็คิดไปแต่ละเรื่องก็ทำให้เกิดอารมณ์อารมณ์เหล่านี้มันไม่ได้ไปไหนนะมันตกค้างนะมันไปหมักหมม มันไปส่งเสริมสนับสนุนสิ่งที่เรียกว่าอนุสัยอนุสัยคือกิเลส ท, ที่นอนนึ่งในสันดานนะบางทีเขาก็ใช้คำว่าอาสวะอาสวะคือสิ่งหมักดองที่มันยอมใจนะก็คือกิเลสนั่นแหละนะเช่นกามก็ดีภพก็ดีทิฏฐิก็ดีนะอวิชชาก็ดีนะ มานะก็ดีปฏิฆะความโกรธนะไอ้พวกนี้เนี่ยมันลุวนแล้วแต่เป็นอันิสัยอนุูัยที่เกิดจากการไปรับรู้อารมณ์ต่างๆโดยที่ไม่มีสติเห็นอะไรที่ยั่วยวนก็อยากเห็นอะไรที่ยั่วยุก็โกรธนะแล้วมันก็ไม่ได้ไปไหนนะก็สะสมอยู่ในใจเหมือนกับอาหารที่เรากินนะมันก็ ไม่ใช่ว่าจะสมทรั์ไปเลี้ยงร่างกายอย่างเดียวไอ้ส่วนที่เหลือก็กลายเป็นเป็นพิษได้หรือบางทีมันก็เป็นสารพิษที่ติดมากับอาหารอันนี้เนี่ยอันนี้ก็ยิ่งอันตรายเข้าไปใหญ่เราต้องรู้จักเนเพิ่มสมรรถนะของจิตใจในการาถ่ายเทของเสียหรือพิษออกไปจากจิตใจสตินี่จะเป็นตัวเด่นในเรื่องนี้มากนะ เพราะว่าถ้าไม่มีสตินะอย่างที่บอกจิตมันก็จะปรุงแต่งแล้วก็ปรุงแต่งเป็นความคิดและอารมณ์บางทีก็นึกย้อนไปถึงเหตุการณ์ในอดีตเหตุการณ์ผ่านไปหลายปีแล้วพอนึกทีไรก็โกรธนึกทีไรก็เสียใจนึกทีไรก็ขุนเคืองและความโกรธความขุนเคืองเหล่านี้มันไปไหนมันก็ไม่ได้หายทีเดียวนะมันก็ไปสะสมอยู่ในใจ บางทีนึกถึงเหตุการณ์ไหนๆก็เกิดความเศร้าเสียใจเกิดเป็นอารมณ์ที่บั่นทอนจิตใจเกิดความท้อแท้แต่ถ้าเรมีสติเนี่ยนะใจก็จะไม่ไปเผลอเกาะเกี่ยวอยู่กับเรื่องราวไหนๆลงท้าไม่ไปผวองถึงเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นทําให้เกิดความหนัก อ, อกหนักใจหรือความกังวลเมื่อใจมันอยู่กับปัจจุบันนะไม่ไป คล่องแวกับอดีตรหรืออนาคตก็ไม่มีอะไรที่จะทำให้เกิดความขุ่นคล่องหมองใจหรือความเศร้าโศกหรือถึงแม้ว่ามันเกิดขึ้นในใจเกิดอารมณ์ขึ้นมาในใจนพอรู้ทันปุ๊บมันก็ดับไปมันไม่ปรุงแต่งต่อเพราะว่าสติสตินี่ก็ยังสำคัญในสารการที่ การมีวินัยในการบริโภคนะก็เหมือนกัการมีสติที่ช่วยทำให้รู้จักบริโภคอาหารอย่างเพอร์ลุตอย่างรู้จักประมาณเคยเล่าไปแล้วนะว่าพระเจ้าเปรสิเดโกสนนี่ท่านทอนลดความอ้วนแล้วก็เลิกกินจุจนกระทั่งร่างกายนี่กลับมีสุขภาพดีก็เพราะว่ามีมีคนมาพูดเตือนสติอยู่ทุกวันทุกมื้อนะ ว่าให้รู้จักประมาณในการบริโภคผู้มีสติทุกเมื่อรู้จักประมาณในการบริโภคเวทนาย่อมเบาบางแก่ชาอายุยืนอันนี้เป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่ต้องการล้างพิษออกจากร่างกายด้วยแต่ขณะเดียวกันก็เป็นประโยชน์สำหรับผู้ต้องการล้างเปลื อ, อกไปจากจิตใจเพราะว่าอย่างที่บอกไว้แล้วเราไม่ได้แค่บริโภคอาหารเราบริโภคอารมณ์ต่างๆทางต า, งตางหูหมูกลิ้นกายใจและเสร็จแล้วก็ไปปรุง สะสมหมักมมเป็นอารมณ์ความรู้สึกถ้าเรารู้จักมีวิธยในการเสพข้อมูลข่าวสาราเช่นใช้อินเทอร์เน็ตวันละชั่วโมงเล่น f a c e b o o นะวันละชั่วโมงหรือว่าเล่นเกมออนไลน์แค่ครึ่งชั่วโมงนะดูโทรทัศน์ก็ไม่เกินชั่วโมงสองชั่วโมงอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะมีขยะอารมณ์สะสมหมัก ม, มมในจิตใจน้อยลง การรับก็รับน้อยลงแล้วก็ถึงแม่รับมาก็มีสตินะทําหน้าที่ปล่อยมันออกไปปล่อยมันออกไปจากจิตใจสติมันทําหน้าที่อย่างนีงนะ้แล้วเรียกอินทสียสังวรอินเสียสังวรเนี่ยคือการสรํารวมอินเสีย์การสรํารวมอินทสีย์ในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าการระมัดระวังตาหูจมูกลิ้นกายแต่หมายถึงว่าการรักษาใจ ให้เป็นปกติไม่ให้กิเลสครอบงำในยามที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงนะหรือว่าริ้นได้รับรสนะรวมทั้งแม้กระทั่งเมื่อเกิดความคิดในจิตใจที่เรียกว่าธรรมอารมณ์อินเสียสังวรจะช่วยได้นะทำให้ใจเนี่ยไม่ยินดีไม่ยินร้ายใจเป็นปกติไม่เกิดอารมณ์ความโกรธความเกลียดความพยาบาทนะความเศร้ามาครองใจ หรือว่าพอมันเกิดขึ้นก็าวางเกิดขึ้นก็าวางเกิดขึ้นก็หลุดถอนใจออกมาดึงจิตออกมาถอนจากความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้อันนี้เป็นงานกติลเลยเพะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่มีสิ่งตกค้างในจิตใจที่จะสะสมหมักหมมจนกระทั่งระเบิดออกมาอาการในเรื่องของการ ละสิ่งหมักดองหรือที่เราอาสวะนะพพเจ้าเคยตรัสไว้นะว่ามีเจ็ดประการการละอาสวะหรือหรือเรียกง่ายคือละความทุกข์นะอันแรกคือนะละด้วยปัญญาคือมีโยนิโสมนสิการเวลาเราเจออะไรกระทบใจนะเราก็อ่า ไม่ไม่เอามาเป็นอารมณ์เช่นเจอแดดร้อนเจอฝนตกเราก็มองว่าเออดีนะนะนะแดดร้อนก็ดีที่มันร้อนแค่นี้นะดีที่มันไม่ร้อนไปกว่า น, นี้ฝนตกก็ดีนะที่ไม่เจอพายุอันนี้ก็เรียกว่าโยนิโสมนัสิกการแบบหนึ่งก็ได้หรือว่าการมองเห็นว่ามันเป็นธรรมดานะฝนตกก็ธรรมดานะแดดร้อนก็ธรรมดา อันนี้เลยว่าละได้ด้วยทัศนะหรือปัญญาอันนี้สองคือละด้วยอินเรียสังวรก็ควรมีสติรู้ทันอารมณ์ต่างๆรักษาใจให้เป็นปกติไม่ปล่อยให้อารมณ์ต่างๆเข้ามาครอบงำเมื่ออารมณ์ไม่มีที่เกาะนะเมื่ออารมณ์มันไม่มีที่ตั้งเนี่ยมันก็หายไปประการต่อมาคือละด้วยการเสพนะอันนี้ก็ง่ายหน่อยก็คือหิวหิวก็เสพ กระหายน้ําก็ดื่มนะถ้าเราหิวแล้วเรากินเราก็หายหิวเรากระหายน้ําเราดื่มน้ําก็หายหายดหาหายกระหายเราโดยการเลาะเว้นเราโดยการเลาะเว้นก็อย่างที่พูดเนี่ยศีลแปดนี่ก็เป็นการเลาะเว้นศีลทั้งห้าข้อแปดข้อนี่เป็นการเลาะเว้นเมื่อเลาะเว้นแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีไม่มีความทุกข์ไม่ไม่เปิดโอกาสให้อสวกกิเลสมันเข้ามา สะสมเพิ่มผู้ในจิตใจนะละเว้นการเสพข้อมูลข่าวสารหรือว่าเสพแต่พอดีนะบางวันบางช่วงก็ละเว้นบ้า ง, างเช่นเก็บอารมณ์นะเก็บอารมณ์นี่ก็เป็นการละเว้นได้เหมือนกันเนะวลาเราเก็บอารมณ์นี่ก็ปิดโอกาสที่เข้าที่อารมณ์ที่สิ่งเราสิ่งกระตุ้นเนี่ยจะมารบกวนจิตใจ หรือว่าเราหลีกเล่นมาอยู่ที่นี่เนี่ยก็เหมือนกับเป็นการเล่าเว้นเหมือนกันนะอันนี้รวมถึงว่าเก็บอารมณ์แบบธรรมชาติก็ได้หลวงพ่ อ, อคำเขียนท่านเล่าว่าตั้งแต่ท่านบวชมาท่านไม่เคยเก็บอารมณ์แบบที่เป็นเป็นรูปแบบเลยหมายความว่าท่านก็ยังไปบินทบาติท่านก็ยังทำว่าสดมนแต่ว่าท่านเก็บอารมณ์อย่างเป็นธรรมชาติก็คือว่า ไม่ไปพูดไปคุยกับใครนะไม่มีอะไรที่ทําไม่จาเป็นก็ไม่พูดไปคุยกับใครพยายามอ่ารักษาใจของตัวให้ดีเวลามองแล้วนะก็ไม่มองออกไปให้มันนอกตัวนะอันนี้ก็เรียกเป็นการละเว้นนะเป็นการละเว้นแบบธรรมชาติเก็บปมณ์แบบธรรมชาติพวกเราที่ ล้างพิษเนี่ยถ้าเราไม่ไม่ละเว้นการพูดคุยนี่มันก็เหนื่อยนะพลังงานก็หายไปพลังงานที่รับเข้ามานี่ก็น้อยอยู่แล้วยิ่งไปพูดไปคุยนะมันก็ยิ่งทำให้เหนื่อยง่ายแต่ถ้าเราละเว้นการพูดคุยนะเรากลับมาอยู่กับตัวเองนะมันก็ดีต่อร่างกายของเราแล้วก็ดีต่อจิตใจด้วยอันนี้เราละด้วยการละเว้นละด้ว ความอดกลั้นนี่ก็ใช่นะละด้วยความอดกลั้นเช่นมีขันตินะอดกลั้นต่ออารมณ์มีอะไรมากระทบแล้วนี่ไม่โกรธง่ายบางคนมีใครพูดไม่ดีกับเรานะก็ไม่โกรธง่ายก็ปล่อยปลๆไปเรื่องมีขันติอดกลั้นต่ออารมณ์คนที่ไม่รู้จักอดกลั้นต่ออารมณ์นี่ก็จะทำให้มันมีขยะอารมณ์ เกิดขึ้นในจิตใจมากทีเดียวคนที่น้อยเนื้อต่ําใจง่ายอันนี้ก็เหมือนกันนะมันต้องมีความหนักแน่นขันตีนี่ก็เป็นความหนักแน่นนะที่ทําให้ไม่ไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ไม่ว่าจะเป็นความโกรธความน้อยเนื้อต่ําใจหรือว่าความท้อแทนะนอกจากการละเว้นและการบันเทานะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยมันก็ช่วยได้ ละเว้นด้วยการบันเทานะเวลามีความโกรวความพยาบาทตร เ, เราแผ่เมตตาก็บันเทาได้นะอย่างที่เราสวดเมื่อสักครู่อานิสงส์การแผ่เมตตาเราก็บันเทานะด้วยการแผ่เมตตาให้กับคนที่เขาทําร้ายเราคนที่ทำให้เราขุ่นข้องหมองใจมันก็บันเทาความแค้นความเคร่งความพยาบาทได้เราก็ละด้วยการเจริญนะละด้วยการเจริญทําให้มากเช่น พอชง7ประการเนี่ยนะซึ่งได้แก่มีได้แก่สติวิริยะสมาธิปัสสัทธิปิติปราโมทอุเบขาธรรมวิจัยธรรมวิจยะหรือว่าอะไรมากมีองค์8เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต้องภาวนาหรือทำให้มากขึ้นเังจะได้ว่าเนี่ยการการละอาสวะหรือกิเลสหรือว่าความทุกข์มันทำได้หลายอย่างนะแต่ว่าสิ่งสำคัญที่ ที่จำเป็นขาดไม่ได้คือการล ะ, ละด้วยการละเว้นนะหรือว่ารวมทั้งละละด้วยการมีความสำรวมในอินทรีย์แล้วก็ละด้วยปัญญาการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะมันก็คือการพยายามสร้างสร้างเสริมสร้างสมรรถนะในจิตใจของเราเพื่อให้มีความสามารถนะในการขาจัดสารพิษออกไปจากจิตใจขยะอารมณ์ออกไปจากจิตใจ คนเราถ้ามีปัญญานะเห็นเห็นแจ้งในความจริงนะของโลกมันเจออะไรก็ไม่ไม่ยึดไม่ติดนะอย่างที่หลวงพ่อเทียนบอกเนี่ยเหมือนกับว่าคนที่เอาเอ า, เอาดินเอาดินทรายคว้างไปที่ข้างฝาเนี่ยมันก็ไม่ติดข้างฝาแล้วคนผู้ที่มีปัญญาเป็นอย่างนั้นนะ คือว่าไม่ว่าตาเห็น่อลูกผู้เดินเสียงก็สักตาว่าเห็นสักตาได้ยินมันไม่มีความยึดมั่นถือมั่นไม่มีความสําคัญมั่หมายมันก็เท่ากับฉันเห็นฉันได้ยินหรือว่าฉันโกรธฉันเจ็บฉันปวดมันไม่มีตัวฉันนะเลยตั้งแต่แรกเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความทุกข์ได้อย่างไรความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็เป็นความทุกข์ตามสภาวะนะแต่ไม่ใช่ ทุกพร้อมมีตัวฉันหรือว่าฉันเป็นผู้ทุกฉันเป็นผู้โกรธอันนี้ก็ยิ่งทำให้อการที่จะมีขยะสะสมในอารมณ์เนี่ยมันแทบจะไม่เหลือหลอเลยหรือว่าหมดสิ้นนะไม่มีส่วนเหลือเลยแต่ในขณะที่ปัญญาของเรานะ่ยยังไม่พัฒนาการเจริญสติการสร้างความรู้สึกตัวเนี่ยสำคัญมันจะช่วยทาให้อารมณ์ต่างๆเนี่ยไม่เข้ามา เกาเกี่ยวจิตใจได้เกิดขึ้นก็รู้ทันแล้วก็วางนะไม่ต้องไปผลักสายไม่ต้องไปกดข่มในทางตรงข้ามในะการผลักสาการกดข่มอารมณ์เนี่ยมันกลับทำให้มันสะสมหมกักหมมมากขึ้นมีความขุ่นเคืองใจมีความไม่พอใจแล้วไปกดมันเอาไว้แทนที่จะรู้เฉยเฉยเนี่ยมันกลับสะสมและห ม, มักหมมเอาไว้ ถ้าหมักหมมมาก ๆ, ๆมันก็รอวันระเบิดความรู้สึกผิดอย่างที่พูดเมื่อวานก็เหมือนกันนะถ้าไปกดข่มมันเอาไว้มันก็ไม่ได้หายไปไหนมันก็รอวันปะทุออกมาคอยโผ่คอยทิ่มแทงทําให้จิตใจเราเศร้าหมองทําให้จิตใจเราย่าแย่ยิ่งตอนที่สติอ่อนเช่นเวลาใกล้จะตายโอ้มันยิ่งมารบ ก, กวนจิตใจเข้าไปใหญ่ ให้วิธีการกดขนกดข่มนี่มันไม่ได้ช่วยนะอะไรที่ไม่ชอบที้เรากดข่มเอาไวน้นี่มันกลายเป็นปัญหาได้ที่ประเทศออสเตรเลียนี่ก็เคยทดลองนะเอาคนประมาณสักร้อยคนได้เนะี่ยให้ทุกคนเนี่ยก่อนนอนเขาให้ลองคิดถึงสิ่งที่ไม่ดีที่ไม่ชอบก่อนนอนนะให้ลองคิดถึงสิ่งที่ไม่ดีและไม่และไม่ชอบแล้วก็พยายามที่จะกดมันเอาไว้พยายามที่จะห้ามใจไม่ให้คิดหรือกดให้มันหายไป เสร็จแล้วก็ให้เมื่อนอนเสร็จตื่นขึ้นมาเขาก็ให้ทุกคนเขียนความฝันว่าฝันอะไรบ้างเมื่อคืนแล้วก็เพราะว่ากลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้ไปกดข่มความคิดที่ไม่ชอบเนี่ยเขาจะฝันในเรื่องนั้นเนี่ยมากกว่าอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่ได้รับมอบหมายไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดให้โจทย์ทีากดข่มมันและมีสองกลุ่มนะ กลุ่มนึงให้กดข่มสิ่งที่ไม่ชอบก่อนนอนอีกกลุ่มหนึ่งไม่ต้องกดข่มนอนสบายๆให้กลุ่มที่พยายามกดข่มสิ่งที่ไม่ชอบนี่มันจะไปโผล่ในความฝันส่วนกลุ่มที่ไม่ได้รับมอบหมายให้ไปกดข่มมันมันไปโผล่ในความฝันน้อยกว่าอันนี้มันก็พิสูจน์นะแสดงให้เห็นว่าการกดข่มเนี่ยมันไม่ได้ช่วยเลยขออยะอารมณ์นี้ถ้ากดข่มมัน นะมันก็ไม่ได้ไปไหนหรอกมันก็ยังอยู่ในใจนี่นแหละแต่ถ้าเรารู้ทันมันนะรู้ทันนะแค่รู้เฉยๆนี่ยมันก็มันก็เลือนหายไปมีคนหนึ่งเขาสรุปไว้ดีนะพูดเป็นประโยคสั้นๆนะว่าสิ่งใดที่เธอผักสายจะคงอยู่สิ่งใดที่เธอตระหนักรู้จะหายไปอะไรที่เราผักสายเนี่ยมันจะอยู่นะมันแปลก ยิ่งอยากให้มันหายมันกลับอยู่แต่อะไรก็ตามที่เราแค่รู้เฉยๆเนี่ยมันกลับหายไปรู้เฉยๆรู้ซื่อๆนะหรื่องที่หลวงปูด่ดูล ว, ว่าเนี่ยมีความโกรธแต่ไม่เอาความโกรธมีแต่ไม่เอาปัญหาคือไปเอามันเลยไปเอาไปยึดมันหรือไม่ก็ไปกดข่มมันมีคราวนึงก็มีคนถามท่านว่าทำไมจะตัดความโกรธให้ขาดท่านก็ตอบว่า ไม่มีใครตัดความกดให้ขาดได้หรอกมีแต่รู้ทันมันเมื่อรู้ทันมันมันก็ดับไปอันนี้แหละคือวิธีจัดการกับขยะอารมณ์นะจัดการกับสิ่งที่มันเป็นพิษในจิตใจก็ใช้สติเนี่ยระบายถ่ายเทออกไปอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะให้พิจารณากันคำนี้ก็พูดกันเท่านี้กราบพรบ